สะอาดนี่เป็นเรื่องสําคัญคือพอเรามีความรู้มากขึ้นนะเรื่องเชื้อโรคนะเราก็เห็นความจําเป็นของการที่ต้องรักษาความสะอาดเวลากินข้านะกวก่อนกินข้าวต้องล้างมือเวลาออกจากห้อง น, น้ำนี่ก็ต้องล้างมือเหมือนกันแม้กระทั่ง คือเพียงแค่ทาทาแค่นี้ก็ช่วยลดไอ้ความเจ็บไข้ได้ปวดเยอะๆเลยทีเดียวสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะขงการรักษาความสะอาดย่ชเช่นการล้างมือหมอที่ผ่าตัดสมัยก่อนนี่ก็ผ่าตัดจากคนนี้ไปคนนั้นก็ไม่ล้างมือนะ เพราะว่ามันทำให้คนตายมีจำนวนมากแม้กระทั่งทำคลอดนี่หมอทําคลอดนี่ไม่ไม่ล้างมือก่อนที่จะมาทําคลอดนี่ก็ทําให้ปู้ตายกันเยอะแต่ก่อนก็ไม่เชื่อนนะหมอก็ไม่เชื่อไม่ยอมล้างมือแต่ตลางคลอดก็ ล, ง อ, ลองดูเขาก็โอ้เพียงแค่ล้างมือ ยิงทารล้างด้วยน้ำยาค่าเชื้อก็่ะช่วยทำให้ผู้หญิงที่ตายในระหว่างคลอดนี่ยน้อยลงอย่างมากทีเดียวอันนี้เขาก็พบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไม่ถึงร0อยปีวยมั้มเมื่อสักษี่ห้ารอยปีก่อนนี่พูดถึงความสะอาดทารลัางนี่เขาไม่สนใจเลยไนะ้ย เรื่องการอาบน้ํานี่เขาไม่เอาเลยแม้กระทั่งพระราชานี่อย่างมีประวัติว่าพระเจ้าหลุยที่สิบสามนี่ไม่ได้อาบน้ําเลยจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบนะถึงได้อาบน้ําอันนี้ยังเบาวนะไม่เหมือนลูกชายลูกชายพระเจ้ า, าหลุยที่สิบลูกชายคือพระเจ้าหลุยที่สิบสีนี่เป็นกษัตริย์นะสร้างพระราชวังแวรซายสวยงามมากแต่ทั้งพระราชวังนี้ไม่มีห้องน้ําเลย ไม่มีห้องอาบนะ้ำเพราะเขาเจ้าของที่ดุสีไม่ชอบอาบนะ้ำเพราะว่าตัวเหม็นมากขนาดข้าราช บ, บริาพานี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยมันเป็นกันทั้ ง, งเรียกว่าทั้งทวีเลยนะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาก็หลังเนี่ยเมื่อสักห้ารอปีที่แล้วนะเพราะามีความเชื่อว่าถ้าเปิดเผยร่างกายให้ให้โดนอากาศเนี่ย มันจะมีคล้ายเชื้อแต่ไม่ใช่เชื้อโรคแบบที่เรานึกนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่รู้จักเชื้อโรคแต่มันจะมีพิษที่มันล่องลอยตามอากาศนะมันจะเข้าไปตามร่างกายได้ถ้าเกิดว่าเปิดเนื้อเปิดตัวแล้วก็ยิ่งอาบน้ำเนี่ยเพราะอาบน้ำนี่มันก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยสะอาดหมายถึงว่าฟุ่นที่มันอุดตามรูขุมขนขุมขนนี่มันก็จะออก ก็ทําให้พิษนี่เข้าไปในร่างกายทาให้เจ็บป่วยได้เพราะนั้นก็หลังนี่พขาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการอาบน้ำนะเขามีแต่เช็ดหน้ากับเช็ดมือนะส อ, อย่างนะเช็ดหน้ากับเช็ดมือแล้วก็ถ้ามันยังเป็นก็ไม่ใช้น้ำนะเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำนี่มันทําให้รูขุ้มคขนนี่มันเปิดเพราะขี้วยทาให้พิษมันเข้าไปในเข้าไปได้ ก็ใช้อย่างอื่นแทนนะอันนี้เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติกันจริงจังมากแม้กระทั่งฝ่ายศาสนาคือศาสนาจักนี่ก็ถึงกับห้ามว่าถ้าใอาบถ้าใคเปลื้อยกายอาบน้ำเช่นไอ้พวกนี้นี่ถือว่าบาปหนักนะถึงกับขับออกถึงกับออกไปหีบออกจากศาสนาจักรได้นั่นคนที่เคร่งศาสน า, ามากๆนี้ไม่อาบน้ําเลย อย่างมีนักบุญคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะมีชื่อมากก็ทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตนัก บ, บุญนี่ก็ไม่เคยอาบ น, น้ํามันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าฝรังก็มีความผิดอย่างนี้เพราะว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยฝรั่งเนี่ยรักสะอาดมาก น, นอกจากสบู่ทำความสะอาดร่างกายแลย้วมีสบู่ทำความสะอาดเนื้อตัว มีน้ํายาทําความสะอาดมากมายตามอวัยวะตา่างๆหน้าก็หน้าก็ใช้น้ํายาอย่างนึง่ใช้สบู่อย่างนึง่มือก็ใช้สบู่อย่างนีง้แต่ไม่เชื่อสมัยก่อนเขาเขากลัวน้ำํำมากไม่อาบน้ํากันเลยแล้วพอไม่อาบน้ําเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เหม็นใช่ไหมส่งกลิ่นเหม็นพอเหม็นมากๆที่ทำยังไงก็ต้องทําน้ําหอมขึ้นมา ทำไมผู้หลังถึงผลิตน้ำหอมเพราะว่ามันไม่อาบน้ า, นาก็นนั่นเองนะมันเหม็นสาบเลยนะน้าหอมมนาะน้ำหอมมาลูบไล้ตามร่างกายในร่มผ้าทั้งนี้มันเป็นยังไงน้ำหอมก็กลายเป็นข้าวคลก็ทำให้ภ้าวคลาเยอะขึ้นนะก็กลายเป็นว่าเมื่อตัวเหนึ่งหนะักตอนหลังนี่ผ้าหลังนี่มัน ต่างคนต่างเหม็นนะคือเหม็นคนอื่นนะแต่ไม่เหม็นไม่เหม็นกลิ่นตัวแต่เหม็นกลิ่นคนอื่นถึงกับไม่ค่อยอยากเจอหน้ากันไม่ค่อยอยากพกพาสมาคมกนันนะเจอกันแล้วมันเจอกันแล้วเหม็นอนะ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะพบปะกันก็เลยชอบอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นเหตุผลไงที่ทำไมคนหลังนี่เขาชอบชอบเปลิกตัวอยู่คนเดียวนะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่ชอบสามสรรค ตั้งแต่สมัยโบราณนตามบ้านนีใต้ถุนบ้านนี่ก็เป็นที่ที่ผู้คนจะมาพบปะ ก, กันแต่ฝรังนี่นะตอนหลังนี่เขาตางคนตามอยู่ในห้องไม่จาเป็นก็ไม่มาเจอหรือถ้าจะเจอก็ต้องอเรียกว่าปรบพรมน้ำหอมหรือไม่ก็มียาดมยาดมนี่ถือติดตัวไว้มีเพื่อนเขาบอกว่าไ อ, ลอ้ละครของะละครของฝรั่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ตัวละครนี่จะทําท่ากลีกการชูมือให้ทูชื้อถือเนี้ยแล้วก็เดินไปโดยเวลาเดินเราก็ต้องยกมือแบบ น, นี้แล้วทุกวันนี้ละครก็ยังเอาแบบเอาท่าแบบนี้มาอยู่ตอนหลังคุยไปคุยมาศึกษาไปศึกษากษา็เพราะว่ า, า, า, า ท, ที่ชูมือเนี่เพราะว่ามันมียายาดมเอาไ ว, คว้คอยดมเพราะเหม็นกันมากงั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากเจอก็เลย เก็บตัวอยู่ในห้องแต่ก็เป็นข้อดีแล้วพออยู่ในห้องนี้ไม่รู้ทําอะไรก็อ่านหนังสือนเฝรั่งในสมันีสัยอ่านหนังสือก็เหตุนี้ด้วยเนี่ยเพราะเขาอยู่คนเดียวตั้งแต่เล็กเนี่ยแต่นั่นก็มีเหตุผลหลายอย่างนะความหนาความอะไรด้วยแหละที่ทําให้มันต้องอยู่บ้านน้าหนาวไ่ออกไปไหนมไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็นั่งอ่านหนังสือนะนั่นฝั่งก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ ไม่ค่อยชอบการสูงสิงเท่าไหร่อันนี้ก็ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าคือฝรั่งแต่ก่อนนี้ก็ชอบอาบน้ำตั้งแต่ ส, สมัยโรมันแล้วชอบอาบน้ำห้องอาบน้ำสาธารณะนี่มีทั่วไปแต่พอมันเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เมื่อปีศตวรรษที่ 13-14 นะก็คือประมาณ700ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ตายกันหนึ่งในสาของทวีนะตายกันเป็นเดือเลย ในแค่เวลาแค่2อปีตายาเดือนะก็เลยนี้ก็เกิดความเชื่อที่ระบาดนี่เพราะว่ามันมีเชื้อมันมีพิษตามอากาศคนตัวตายมากก็เลยไม่การอาบน้ำเพราะคิดว่าพิษนี่มันจะเข้ามาตามเนื้อตัวตามรูขุมคนแต่ตอนหลังนี้ฝขาหลังนี้เขามาพบว่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคนะเชื้อทรพิษ อาธิวาสตระลกลโรนี้เห็นเป็นตัวเลยนะใช้กล้องส่องนะเขาก็รู้ว่าวิธีที่แล้วเขพบว่าวิธีที่จะฆ่าเชื้อก็คือเป็นวิธีที่จะช่วยทําให้ไม่มีโรคระบาดเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีการฆ่าเชื้อกันใหญ่นะใช้ความร้อนนะใช้น้ําใช้น้ํายาตรงนี้แหละที่ฝรั่งเริ่มมารับคามสะอาดนะล้วก็รับคามสะาดมากขึ้นนะจนกระท่ง มีการผลิตน้ำยาต่างๆมากมายนะเพื่อทำให้คนนีนะ่มีความสะอาดจนกระทั่งถึงขั้นอนามัยจัดนะตามพื้นก็มีน้ำยาฆ่าเชื้อตามโต๊ะก็มีน้ำยาอีกยี่ยห้อนหนึ่งอันนี้มันเป็ น, ปนวิธีการของพ่อค้าที่จะขายสินค้าก็จะต้องโฆษณาว่า ายาอย่างโน้นอย่างีค่าเชื้อได้ฝรั่งก็เลยรักษาความสะอาดกันมากจนกรทั่งอนมามัยจัดแล้วก็มีคนต่อการเลี้ยงลูกด้วยนะลู ก, เ ด, กเด็กกไ็ไม่ให้เล่นกับดินกับทรายนะอันนี้เกิดปัญหาใหม่เลยคอรักษามากๆมีค่าเชื้อกับเตอบีดะบานนี่วรากฏว่าคนสมัยใหมเ่เริ่มเป็นโรคแท้แล้วแพ้นอนแพ้นี่เพราะว่ามันไม่มีปูมคุ้มกัน ตั้งแต่เกิดมาก็ขาเชื้อนะอย่างหนักเลยเด็กก็มีภูมิแพ้เยอะมากนะไอ้โรคแพ้เรียกว่าเฮตฟแพ้เกสร อ, อากาศแพ้นอนแพ้นี้นี่ก็สนิษฐานเป็นเพราะเด็กเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันจากการที่ไปเล่นดินเล่นทรายเขาก็เพราะว่าเด็กที่เด็กที่อยู่ตามฟาร์มที่ไม่ค่อยสะอาดตามแบบอนามัยจัดเนี่ยไม่ค่อยเป็นโรคพ น, นี้เท่าไหร่แต่เด็กในเมืองที่อนามัยจัดนี่เป็นเยอะผู้ใหญ่ก็เป็น เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เรืนโตเขาก็เลยเลยสังเกตว่า น, นี่เป็นเพราะว่าให้ความอันตรายจับนี่บางที่ค่าเชื้อกินยาปฏิชีวนะเข้าไปในท้องก็ไม่มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่มันช่วยย่อยอาหารและช่วยดูดซึมพอไม่มีจุลินทรีย์ก็มีปัญหาเดี๋ยวนี้ก็ต้องเลยต้องกินเชือเออเ้อเข้าไปกินพวกยาคูหนองเปี้ยเข้ไปเพื่อเติมจุลินทรีย์เข้าไปก็คือการทีเรย น, นนั่นเอง อันต่นปัญหาเด็กตอนนี้นี่ก็ปุกพุ่มกัะอ่อนมากเพราะว่าขาดเชื้อโรคโรคมือเท้าปากนี่ก็เป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแม้ตอนหลังนี่คนหลัง ก, ก็เริ่มส่งเสริมมันนะให้เด็กเนี่ยมามาเล่นกับดินกับทรายบริษัทผู้ผลิตโฆษณาผมซัฟฟอร์ก็โฆษณาด้วยนะว่าชักชวนเด็กให้เล่นให้เล่นเล่นดินเล่นทรายให้ใ ห, ให้ทำตัวมองแบมบ้ มีการโฆษณาว่าฝุ่นเนี่ยดี dust is good ฝุ่นเนี่ยดีนะหรือบอกว่าเนื้อตัวมอมแมมนี่เป็นเครื่องมือนอิสรภาพเสรีภาพเป็นการโฆษณาเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กเล่นกับดินกับทรายหรือว่าให้ครกุกฝุ่นบ้างตอนนี้ฝรั่งเริ่มกลับมาแล้วนะกลับมาจากการที่อนามัยจักนี่ตอนนี้กลับมาที่จะชักชวนให้ลูกนะได้เล่นตัวมอมแมมบ้า ตอนนี้มึงก็เลยนะสวินกลับมาแนละ้วนะจากประเภทที่รนะักสะอาดก็กลับมาสู่เเพสะกโกปกให้มารักสะกโะกปกบ้างไม่รู้จะกลับไปถึงขั้นว่าย้อนกลับไปเมื่อ6กรปีที่แล้วก็คือไม่อาบน้ำเลยเนะี่ยโลกมันหมุนเยยงเป็นวัาจักแบบนี้เลยนะเป็นธรรมดาลโลกอันนี้ก็เป็นก็เป็นเปิเดความรู้ที่มันก็มีประโยชน์สาหรับปัจจุบันเลเระเด็นนี้เราตามสลั่งมากจนกังรักสะอาด ต่อไปเราก็จะเราก็จะตามฝรั่งเหมือนกันถือว่าเริ่มจะไม่รังเกียจความสกปรกแล้วนะเราตามฝรั่งไปเรื่อยแบบนี้เละเตรียมรับรอง